ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงปโพธิาณในวันนี้จะได้ตอบคำถามของพระาวาอวกากเช่นเคยเธอถามว่าเยอวกัารณาที่เกิดขึ้นกับรงการพระพุทธศาสนาในบ้านเราทุกวันนี้มีผู้กล่าวว่าเกิดจากการทำลายของบุคคลต่างศาสนาอยากทราบว่ามีความจริงเพียงใดชะยกตัวอย่างให้เห็นด้วย แต่ถ้าจริงในฐานะเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาควรจะทำอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามอยู่สองตอนนะก็ค้ามตอบตอ ต, อตอนแรกแต่ก่อนคืออร่งศาสนาเนี่ยทุกศาสนานะตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันก็มีการปฏิบัติการที่อีกศาสนาอื่นจะรู้สึกว่าเป็นปฏิบัติต่อเขา ไอ้โดยอ้อ น, นันไม่เคยแปลกหรอกที่เป็นการกระทำโดยตรงคือไปคัดค้านไปทำลายล้างไปโจมตีาศาสนาอื่นเข า, านั้นเรียกว่าเจตนาที่จะทำลายแต่ว่าเป็นรูปแบบของการเผยแร่าศาสนาเป็นการนำเสนอหลักการที่ตนเองเข้าใจว่าถูกต้องเนี่ย ให้สังคมเป็นผู้พิจารณาว่าจะเลือกศึกษาเลือกจะปฏิบัติเลืกนับถือศาสนาอะไรกันก็ว่ากันตามความเป็นจริงเราพุทธศาสนาเราก็เกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาพราหมณ์คนที่มานับถือพระพุทธศาสนาในยุคแรกก็เป็นนัก บ, บวชในศาสนาอื่นในลาที่อื่นปัญจวัคคียก็เป็นนัก บ, บวชประเภทติสุ ท่านบุกบูรุษเวลาการสปะเป็นต้นก็นักบวชประเภทเช็ดินอุปสานดีบุตรเป็นต้นเนี่ยก็เป็นนักบวชประเภทปริพาชกก็แสดงว่าก่อนับถือลทัทธิศาสนาอื่นอยู่แล้วก็กลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่าดีกว่าศาสนาที่ตนเคยนับถืออยู่แต่ว่าผู้ธศาสนาไม่เด้ไม่ได้ไปโจมตีอะไรใครนะเพือแสดงถึงหลักการปฏิบัติ อย่างที่พระพุทธเจ้าส่งชี้โทษของการมาสุขานิการนโยกอัตติลามาฐานโยกเนี่ยเป็นการชี้ตามที่ส่งปฏิบัติมาและตามที่ปัญญาวครา์เขาปักใจฟังใจมีความพอใจติดใจในเรื่องเหล่านั้นก็ส่งชี้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมีคุณเสียหายังไงคือไม่ได้ไปโจมตีคนแต่ว่าไป ทีเคราะถึงหลักการวิธีการต่างๆซึ่งถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นแล้วพระองค์เองก็ไปถือประพฤติปฏิบัติกับเราด้วยแล้วก็ประสบความล่มเหลวมาแล้วทีนี้การกระทําของศาสนาอื่นนั้นโดยเห็นว่ามันจึงมีทุกททุุกกศาสนาโดยศาสนาพุทธก็ถูกศาสนาอื่นกระทำกระทําย่ำยีมาตลอดบนเส้นทางประวัติศาสตร์เนี้ เถึนสมมติว่าในประเทศลังกาในประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถูกคินดูทำลายถูกอิสลามทำลายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอิสลามทำลายแบบถอนรากถอนโคนนะเป็นอิสลามเติบบุกเข้ามาเมื่อปศพันเจ็ดร้อยนะฮะ ทำลายเขียนฆ่าเผาเมืองหมาวิยาลัยนารันธาฆ่าโรพิสุใช่าจานวนมากมากายกายกองแตไม่พระพุทธศ า, ส, าสนาเราเสื่อมไปจากอินเดียตอนกลางอีกสองรอปีต่อมาก็เสื่อมหมดกับอินเดียใตยในประเทศลังกาก็ถูกพวกคริสเบียดเบียนเช่นโปรตุกเกสฮอลันดาอังกฤษซึ่งเป็นพวกคริสทั้งนั้นเลย ป ร, ร ป, ร ป, ประเทศพม่าก็ถูกอังกฤษเด็ดเบียนเบตลาประเทศแคนาก็ถูกอังกฤษถูกฝรั่งเศสเบียดเบียนถูกและพิคมนิสเด็ดเบียนคือที่มันเป็นอันตรายแรงๆจริงๆเนี่ยมันคือขึ้นจากการกระทำของาศาสนาอืน่นอย่างเระพุทศาสนาเราเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันก็มาอย่างหลายๆเรื่องมาที่รัฐมนูญมาตราที่เจ็ดสิบสามก็มาจาที่สามสิบแปด พอทางมิติบัญญัติมันก็เป็นปัญหาใหญ่เพราเป็นอำนาจคนชอบทำนะครับตราดีการตราดยังไม่ยกเลิกตราดนั้นก็ใช้ได้ตลอดเด็กกิจการเบียดเบียนจากศาสนาอื่นโดยการใส่รายป้ายสีเช่นเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นประกาศกของเขาเอาพระธรรมเนคําสอนบอกพระพุทธเจ้ามามอบหมายพระพุทธเจ้ามาเผยแสดงแก่โลกก่าผู้เป็นเจ้าเขาเนี่ฮะมอบหมายพระญาติมาเผยแสดงแก่โลก ตำแหน่งต่างๆของคณะสงฆ์เข้าไปเรียกพวกตัวเองซึ่งเป็นค า, วารวะทองเรือนนั่นนะเป็นคัรวะไม่ได้เป็นนักบวชอย่างภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ได้รักษาศีลอย่างพระเรารักษาแต่ชื่อผู้มีศีนเนี่ยเข้าไปชื่อเรียกชื่อบุคคลดอกนั้นจะมีการกระทําต่างๆเป็นนั้นมากที่ ทางการศึกษาก็ดีทางเศรษฐก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดีนะฮะแล้วก็ะทบถึงความมั่นคงของชาติบ้านเมืองที่เป็นส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับกันนะก็พบเห็นกันแต่เขาเองเขาอาจจะไม่เจตนาว่ า, า จ, จะบอกเขาไม่ได้เจตนาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลักฐานเอกสารต่าง ที่ปรากฏเป็นเอกสารของเขาเองนะฮะก็แสดงก็าจงใจเพราะเราก็พูดตามหลักฐานของเขาไม่ได้พูดเราเองแล้วก็ตามที่เขาทานะฮะไม่ได้พูดเร า, าว่าเราเองทร่เขาไม่ได้ทําเพราะแบบการเหล่านี้มันก็มีอยู่ตลอดไปและคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้เรอย่าลืมนะว่าพระพุทธศาสนาเรา เมื่ตอนประชากรโลกประมาณสามพันล้านเนี่ยคนนับถือพูดถึงพันห้าร้อยล้านไม่ใช่เล่นนะคนนับถือมากเลวลานี้เสื่อมลงมามากอย่างเดียวประมาณห้าร้อยกว่าล้านเพระาะอะไรเพราะว่าถุงรัฐที่คอมมิวนิสต์เปลี่ยนแปลงและประเทศที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใหใหญ่ในยุคคอมมิวนิสต์เฟื่องฟูเนี่ยที่จริงก็เป็นประเทศพุทธศาสนาทั้งนั้น น, นี่เป็นความจริงที่เราไม่อาจฏิเสธได้ว่ามันก็เป็นเข้ามันอย่างนี้แหละเราก็ต้องรับรู้เอาไว้แต่ว่าการจะขจัดให้หมดไปสิ้นไปมันคงเป็นไปได้ยากแี่ครั้งก็าถามอีกต่อไปว่าใ น, นในเมื่อพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนาเป็นความจริงแท้เป็นของดีจริงๆดังนั้น ก็ไม่น่าที่จะมีใครที่ไหนมาทําลายได้อันนี้ก็ไม่จริงหรอกฮะคนดีถูกทําลายไปเยอะเลยของดีถูกทําลายไปเยอะเลยในโลกนี้นใครก็ไปเศษไม่ได้ของน้ําของดีหรือเปล่าแล้วของดีก็ถูกทําลายหรือเปล่ามาถูกทําลายอนะคลุงสียุทธยาก็มีดีๆเยอะเองไม่ถูกทําลายไปมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะไม่ใช่ดีเลยจะไม่ถูกทาําลายดีคือคนเยแย่งคนเดียริศยาคนจะโลภแล้วเข้ามาทําลายกันมากมายขึ้น ซึ่งการจะมองเห็นมันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่พุทธิภาวะของคนเหล่านั้นสติปัญญาของคนเหล่านั้นว่าก็มีบ้านน้อยแค่ไหนเพียงไร ถ, ถ้าสติปัญญาเขามากพอเข ก, ก็มองเห็นเป็นความดีความงามถ้าไม่มีสติปัญญามากพอเข ก, ก็ไม่เห็นเป็นความดีความงามอะไรอันนี้เราเร า, เราคิดจากเราเนี่ยเราเห็นว่าดีเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ใช่แต่ว่าคนอื่น่ะคนมันเกิดมาใหม่ทุกวันเนี่ยนะฮะ คนบางทีมพ์ผู้ยาผู้เขาผู้อ่อนด้อยเกิดขึ้นทุกวันเลยแล้วกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยแกก็ถูกนําไปสู่ศาสนาอื่นไปแล้วถึงว่ากันตามความจริงเนี่ยคนเราขอเพียงมีศาสนาอยู่ในหัวใจแต่ น, นั้นเองเน่ยนับถือศาสนาอะไรก็รนับถือไปเถิดพูดตรงในไม่ได้ว่าอะไรใครเราแต่ว่าเขามาเล่นงานเราแต่ น, นั่นเอง เราไม่ได้คิดจะแย่งศาสนาศาสนกในศาสนาไหนแต่เราต้องการให้ศาสนกในพุทธศาสนาเนี่ยมีคุณภาพขึ้นมาตอนนั้นเองก็ไม่ได้คิดถึงปริมาณอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นธรรมดาเป็หลักการในการเผ ย, ยแพร่ศาสนาคนศาสนาบางศาสนาเนี่ยก็ทำในนามผู้เป็นเจ้าโดยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า มนุสเต็ปพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาก็เป็นสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าที่จะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าการไปนับถือาศาสนาอื่นเป็นผู้ทรอยด์อะไรแต่ไหนเนี่ยเขาก็ชี้หน้าด่าประจาย์อะไรเนี้ยดันั้นมันเป็นความจรงิงที่เราจะเห็นว่าที่เราว่าเราดีเนี่ยเข า, าเขาว่าเขาดีเหมือนกันนะเขาดีกว่าด้วยเขาไม่ของพระผู้เป็นเจ้าว่าเราเป็นคนนะนั้นเองนะพระพุทธเจ้าเป็นคนแต่นั่นเอง เาะงั้นมันมันไปมอมุมขนาดนั้นมันเป็นความจริงนะฮะแต่ว่ามันละเลยปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์รอุตสนาห์คงความดีอยู่เงี้ยต้องเป็นไหนแต่ไรมาแล้วก็ถูกทาลายมาตลอดบนเส้นทางประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมทั้งสายนะฮะเป็นเส้นทางของพระอุตสาสนาแล้วว่าถูกทาลายไปเยอะ ขนาดว่าภูเขาเป็นลูกๆนี่ก็เจาะซังค้างเป็นวัดได้เนี่ยังจะถามไม่ใช่เล่นใช้เวลาเป็นร้อยรอยปีแต่พอถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมไปนะจากสถานที่นั้นก็น่าจะเป็นชาวพุทธของเราเองมากกว่าดังคำกล่าวที่ว่าสนิมเหล็กเกิดจากเนื้อในเหล็กขอทราบความเห็นเกี่ยวกับคือการทำลาย ของพุทธศาสาศนิกชนเองเนี่ยมันไม่ถึงกับหมดหรอกมันอาจจะเสื่อมไปก็หมายความว่าคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อยลงแต่ว่ า, าศาสนาเองก็ยังอยู่คนป ฏ, ปฏิบัติปฏิบัติชอบก็ยังอยู่แต่การทําลายของาศาสนาอื่นเนี่ยก็ใช้กองทัพนะฮะก็ใช้กองทัพทําลายอย่างปุกคอมนิสต์อย่างเนี้ยปอิสลามอย่างเนี้ยที่เขาทาลายเนี่ยถูกสเปนโปรโตุเกสสมัยได้กเ็เผยแผ่สองสองสองชาตินี้เผยแผ่าศาสนารุนแรงมาก เติร์นะฮะเติรโปรเติรโปรสเปนโปรโปรตุกเก่สเปย์ฟาสเปย์ศาสนาเปยแพฟศาสนาที่รุนแรงเพราะงั้นมันปัญหาความบุบคล่องภายในนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ถึงจะตายหรอกที่มันมาเนี่มันตายมันจริงๆ ม, มาจากข้างนอกมันเกิดเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นความรุนแรงที่มาจากข้างนอก มีความจำเป็นเพียงใดที่ต้องระบุในรัฐธรรมนูญว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและการไม่ระบุจะเกิดผลเสียหายอะไรบ้างแก่พุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบระรศาสนาคู่ชาติเป็นพระพุทธศาสนาค้าสร้างชาติเป็นพระพศาสนาที่แก้ไขปัญหาชาติเป็นศาสนาที่นำพาประเทศชาติประชาชนคนไทยมา ผ่านประวัติศาสตร์ยาวนานมาเนี่ยมันเป็นชาพุทธทั้งนั้นนะคนอื่นก็ปนอยู่คนหลงคนแต่นั่นเองไม่ใช่มากมายอะไรแต่ไหนทีนี้เมื่อเรามีรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยรัฐธรรมนูญเอาของเก่าต่างๆที่มีอยู่แล้วในในในสังคมไทยนั่นเองเนะฮะมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนเช่นประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วก็มีอยู่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนั่นแหละ พระมหากษาัตริย์เป็นพุทธมามากะเป็นองค์เลขากราชาสนุปธรรมก็มีอยู่แล้วเพราะในของมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วชาติเรานี่มันชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์ทําไมสถาบันสองสถาบันจึงไประบุไว้อีกหนึ่งสถาบันจึงไม่ระบุไว้ก็ราะไม่ระบุไว้มันก็เป็นอย่างเนี้ยอย่างสปสเนี่ยเขายกสถานะพระงศาสนาอื่นๆให้ทัดเทียมกับพระพุทธศาสนา ที่มีประชากรถึงเก้าสิบเจ็ดล้านไม่ใช่ก้า7เจ็ดล้านเก้าสเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขอจายเก้าเก้าสิบสี่ดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรมีคนนับเป็นคนในถึงห้าเจ็ดล้านมันห่างจะสศาสนาอื่นซึ่งมีคนแค่สามล้านกว่ากว่าแค่หกเจ็ดแสนแค่สองแค่ห้าพันแค่สองพันห้าร้อยล้านสองพันห้าร้อยคนเนี่ยมันคนเล็กน้อยเหลือเกินนะแต่ว่าเพราะ ก็ถือว่ า, าศาสนาประจำชาติมีห้าศาสนาก็ ว, ว่าอย่างนั้นโดยก็ใส่เข้าไปครับผลท้ายจะชาวพุทธก็เสียเปรียดมันเป็นการเรียกร้อ ง, องสิทธิในฐานะเป็นองค์กรทางาศาสนาไม่ใช่เป็นการเรียกร้องในฐานะของปัจเจกชนส ถ, ถามบันาศาสนานั้นจะเป็นกี่คนก็ตามมันเป็นสถาบัน ตอนต่อมากศาสนาพวกก็เสียเปียกไปเรื่อยไ ป, ไปแหละเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าหลักสูตรพระพุทธศาสนาเองเนี่ยก็จะให้เขียนกันเองให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็คนเขียนเองแต่พอมาถึงศาสนาอื่นอยาศาสนาอิ ส, สลามเนี่ยเขาก็ให้เรียนเหมือนกันหมดเลยนะแล้วอยู่ภายในวกลุ่มของเขาเด็กเขามีคนท้องคนนี่ต้องสอนอิสลามศึกษาเลย แล้วคนที่เป็นครูปอนะมาสอนคงครูเขาก็ได้เปรียบครูคนเราอยู่แล้วครูคนเราต้องเรียนจนจบเริญญาตรีครูของเขาไม่ต้องเป็ในใครก็ได้นะฮใครอ่านเครเรียนคัมภีร์อันกุรดานมาแล้วก็ถือวาสอนได้ดังนั้นเลยมันเป็นการเอาัะเอาเปรียบกันเยอะในบ้านในเมืองเราเนี่ยแต่ว่า คนเรามันอยู่ในพยาคติคือกลัวกันจนไม่มีเหตุผลอะไรคนกับคนเนี่ยไม่ได้จะเกิดเป็นคนมาทำอะไรเหมือนกันนะอยูือเป็นเรื่องที่จะต้องพูดพูดก็ต้องพูดทำก็ต้องทำมันเป็นการต่อสู้กันด้วยเหตุผลไม่ใช่มาเียนค่าทำลายล่างกันมันปวดรุกหมดสมัยแล้วนะฮะแต่มันถึงคราวที่จะต้องพูดจาต้องทำความเข้าใจ ให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงกันความสำคัญของพัดยศหรือพัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่ออะไรนะไม่ได้ใช้พัดประกอบพิธีกรรมจะมีผลในทางวินัยหรือไม่อันนี้เป็นศาสนาพิธีนะะแล้วก็เป็นราชพิธีพระอย่าลืมพระเป็นราชดร น, นะฮะพระเป็นราชดรนตอนนั้นเด็ไม่ได้วิเศษวิโสไปจากไหน วันเมื่อบ้านเมืองก็ตั้งกฎเกณฑ์ว่อย่างไงก็ต้องปฏิบัติตามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิด บ, บทบัญญัติของกฎหมายบ้านเมือง ก, กฎระเบนเนียบขนาบธนียมประเพณีของบ้านเมืองแต่พระเองก็คงไม่ชอบอะไรแล้วมันรุงรังนะฮะที่จริงไปไหนเอาพระไปด้วยมันมรุงรังแล้วก็พวกพาไปประาบาก บางทีก็เอาพัดไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเป็นพัดยดเป็นเจ้าคุณอย่างเงี้ยเอพัดยศไปต่างจังหวัดเนี่ยโอโ้โหมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะลําบากมากๆแต่ว่าเมื่อกดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องทำในตารางบัตรทั่วไปก็มีลักษณะอย่างนั้นก็กําหนดได้ใช้มันก็ต้องใช้คือเขาให้ใช้บางหน้าเวลาสวด เวลายับถาให้สีแน่ผ่อนเนี่ยสวดบันกันบางหน้าซึ่งบัทิจริงก็ดูเรียบร้อยดีนะฮะคือไอปากคนบางทีเวลามันพูดเวลาสวดเวลาอะไรแต่อะไรมันต้องคนเดียวเบีเยว บ, บูดบูดเนี่นะก็เอาพัดบางไว้มันก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีแต่ว่าเป็นประเพณีที่คงทำมานานแล้วนะฮะสมัยที่อยู่ที่ลังกาอะไร เราก็ไม่รู้ว่าดั้งเดิมที่จริงเป็นยังไงฮะแต่แสดงว่าต้องทำมานานแล้วเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องรักษาวไวตลอดไปไม่มีปัญหาทางวินยัยมันเป็นปัญหาของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจะรีบแต่แผนต่างๆวิ น, นัยนี้ท่านบอกไม่บอกไว้หรอกเวลาต้องมีพัดนีเกิดไม่ไม่มีหรอก แล้วความเป็นศาสนาเนี่ยมันมันมีพระธรรมวินัยมันมีกฎหมายของบ้านเมืองมันมีจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบแผนที่จะต้องพติปฏิบัติมันมีเยอะเลยนะอันเดยจะเลือกเอาเฉพาะ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้พระเจ้าองค์ก็ทรงนอนุญาตไว้นะฮะว่าราชานังวัตติตรงให้ค่้อยตามบ้านเมืองก็ไป บ้มืองไม่จะเอาอย่างไรเราก็เป็นราชดรในบ้านมเมืองของเขาเนี่ยเขาสั่งมาเราก็ต้องทาตามแ้ว เ, เท่านั้นเองการตั้งจิตภาวนาและสามารถจะสามารถถอดจิตออกจากร่างกายซึ่งถือว่าเป็นฌานหรือไม่และอยู่ในชั้นใดคือถ้าจะให้ถอดจิตออกจากร่างได้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นระดับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาเรียกมโนปยิธิ เป็นความสําเร็จทางใจตัวเองอยู่ในที่หนึ่งเนี่ยสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นไปไปในที่อื่นได้ไปเร็วมาเร็วนะเหมือนคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเนี่ยไปเร็วมาเร็วอย่างน้อยต้องเป็นอภิญญาที่เป็นโลกิยาจะภาวะจิตนั่นสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปัาจัจากกิเลสเป็นจิตอ่อนวนแก่การงาน ควรแกการน้อมไปเพื่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านจะน้อมไปเพื่ออะไรในกรณีนี้ก็คือน้อมไปเพื่อแยกจิตออกจากกายนี้เป็นกายที่สำเร็จด้วยจิตเรียกมนโนมยิธิอุปมาเมื่อการถอดปล้องไส้ยาปล้องออกจากปล้องของยาปล้อง เกิดงกายเนี่ยกายเนี่ยออกสร้างเป็นกายคิดได้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าเป็นการไปแบบเทศนะฮะเป็นแบบเทพเป็นกายที่ละเอียดไปเร็วมาเร็วเหมือนดูดคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเนี่ยไปเร็วมาเร็ว พุทธศาสนาในปัจจุบันมีกี่นิกายและทุกนิกายมีศีลที่ประสงค์ต้องไปบัดเท่ากันคือสองรลบเจกข้อหรือไม่าพ้ดพึงนิกายใหญ่ๆในเดือนนี้ก็มีสามนิกายแต่นั้นเด็กนะแต่นนกายาย่อยไม่ไหวแรอวไม่รู้ว่าใครนับไม่ได้ญี่ปุ่นแห่งเดียวก็ตาเลือกแล้วไม่รู้มีกี่นิกายกันแน่นิกายใหญ่ๆก็คือมหายานเทรวาสแล้วก็วัชรยาน วัชยานก็เป็นพวกทิเบต น, น, นะนะฮะคนก็ไม่มากอะไร่าไรมายานนี่มากไหมฮะมายาเนี่มากคนมากเทรวาสเนี่ก็คนมากเทรวาสเป็นประเทศเล็กๆประเทศไม่ค่อยใหญ่ก็ตั้งแต่โน้นตั้งแต่ลังกาพม่าไทยลาวเขมรนะฮะนี่เป็นประเทศเทรวาสแท้แท้ มายานก็พวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีพวกมงโกเลียพวกอะไรในเครือของสหภาพโซเวียตเก่านะฮะก็ไม่เยอะเรารวมกันแล้วเวลาเนี้ยในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาเป็นพุทธเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเราไปสังเกตดูให้ดีนะฮะไปเคยไปเมืองจีนระยะหนึ่งก็พยายามสังเกตในประเด็นตรงนี้ก็เห็นว่าคน คนที่เป็นพุทธนี่เยอะนะฮะเขก็เห็นพระได้ยกมือไหว้ในคนเยอะก็แสดงว่าจาวพุทธกำลังกลับมาในประเทศทเจีนในจาพุทธกำลังกลับมาวันเราก็ อ, อนิกายใหญ่สามนิกายนะฮะนนทวนคณะเสราวัดเองก็แยกเป็นธรรมยุทธมานิกายทวนมายานเน่งก็แยกเป็นนิกายเยอะนะฮะนิกายย่อยๆมันจะเยอะมากก็ดูแล้วคล้ายๆกัน นวยุตไอ้ฮินญาเนี่ยหรือเทระวาแต่มันเหมือนกับุโรมันกาตุลิกไงนะคล้ายๆปุโมันกาตุลิกเป็นกาย ด, ดั้งเดิมแล้วก็มายานก็คล้ายๆกับปุตตะดั้นนะฮะเป็นพผัว ก, ก้าวหน้ า, า, าคิดใหม่ทาใหม่กันใหม่อีกเยอะเลยแม่ชีถือเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสน า, า, าพหรือไม่หากไม่ใช่จะได้ว่าผู้ใดเป็นาศาสดาของแม่ชี แม่ชีก็เป็นอุบาสิกานะฮะเป็นก็ชาวพุทธเองก็ไม่ได้มาจากไหนเดิมทีเดียวก็เป็นอุบาสิการักษาศีลแล้วก็นอนนอนนอนวัดปัญาข้าวท่านก็ขี้เกียจเรื่องยุ่งเรื่องผมแลท่านท่านก็โกนผมเสียผู้ชายก็ถึงจุดหนึ่งก็เป็นฉีปาะขาวเป็นสับบุตรขับบุรุษเป็นฉีปาขาวโกนผมเหมือนกันตันนี้รักษาศีลแปดนะรักษาศีลแปด ตลอดชีวิตที่ครองเพศเป็นชีบประขาเป็นจาตุรุดูดราศาสดากขไม่ชีก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยนะฮะระสงค์บางรูปศึกษาทางโหรสศาสตร์ถือว่าผิดวินัย ห, หรือไม่ถ้าเพียงแต่ศึกษามันไม่ได้เป็นอะไรกันมาหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิชาการเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้เอาไว้ มันสามารถช่วยเหลือสังคมได้นะฮะยราอย่าลืมว่าเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนดูหมอดูเนี่หมดเงินไปเป็นพันๆล้านนะปีนึงแต่เชื่อไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ชอบดูแต่ว่าเชื่อไม่มากวันวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นวิชาที่เป็นเรื่องของกลางคืนกลางวันนะฮะเป็นเรื่องกลางคืนกลางวันเป็นเรื่องราตรีกลางคืนกลางวันที่ ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอยู่ตลอดทั้งฝังทั้งหลายใตร่มระโพธิญาณในวันนี้กอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี